ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนะก็คือสิ่งสาคัญคือเนี่ยนะเห็นอาการเกิดดับนะของภายในจิตใจนะมีสติตั้งมั่นนะเห็นความเกิดขึ้นนะและความดับไปนะเป็นเรื่องธรรมดานะที่มันที่มันเกิดขึ้นในจิตใจสตินะ เราต้องฝึกนะให้มันมีความชำนาญนะมีความตั้งมั่นเมือ่อสติมันมีความชนานาญมีความตั้งมั่นส ต, ติมันจะเป็นผู้ดูดูเห็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปลงต่อหน้าต่อตานะเมื่อ น, นั้นจิตมันก็จะขาดขาดจาก จากการปุงแต่งมันก็ไปต่อไม่ได้ถ้าใครได้เห็นอาการค เ, เนี้ยก็คือผู้ที่ได้ทางที่จะไปสู่นิพพานก็คือเข้าเข้ากระแสแห่งพระอริยะเจ้าสิ่งที่เราทำทั้งหลายเนี่ยเราพัฒนาเพื่อให้เห็นเห็นอาการเกิดดับของจิตนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทางที่ เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะในการบําเพ็ญบารมีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำทานเรื่องการรักษาศีลนะเรื่องการทำสมาธิหรือการเดินวิปัสสนานะมันเป็นมันเป็นอุบายนะเพื่อให้เราเข้าถึงตัวปัญญานะเห็นอาการเกิดดับนะของจิตใจนี่แหละนะคือทางที่ไปสู่ตัวปัญญา เมื่อเราเห็นอาการเกิดดับภายในจิตใจมันเหมือนเราไม่ให้มีที่ตั้งนะของกิเลสของตัณหาหน่ะแหละเนะมื่อเราเห็นจิตใจเราก็ไม่เอาเหมือนคล้ายๆเราเห็นไฟเราไม่เอามื อ, อไปเกี่ยวข้องกับไฟเช่นไปเอาไปใกล้ๆไฟให้ไฟไมันเผาไหมให้มันเกิดความร้อน จิตใจก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเห็นกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นในใจนะไม่เอานะไม่เอาใจที่เป็นปกติไปไปผักใสหรือว่าไปคอเคลียะนะไปจมอยู่กับสภาวะอารมณ์นั้นๆในทางครูบาอาจารย์บางรูปนะท่านแยกนะ หูเทศท่านจะแยกพูดให้เราเข้าใจชัดๆนะว่าใจนี่คือสภาวะความเป็นปกตนะิหรือความเป็นพุท ธ, ธะก็ได้นะแต่จิตนี่คือมันเป็นตัวอุปกิเยสคือตัวที่นะเกิดดับหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะจะเรียกว่าเป็นอาการนะอาการของจิตนะ มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เป็นตัวที่เนสวยอารมณ์แต่ตัวใจจริงๆเนี่ยคือความเป็นปกตินความเป็นพุทธที่มันมีอยู่แล้วเมื่อเรามีสติแก่กล้าหรือว่ามั่นคงขึ้น นอกจากการที่เราแยกรูปแยกนามได้ต่อไปเนี่ยเราจะแยกระหว่างจิตกับใจเนี่ยใจ เ, ยเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากแต่จิตเนี่ยมันแสดงอาการเกิดดับของสภาวะอารมณ์ต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะถ้ามันจะมีจิตที่เกิดความโรคความโกรธความหลงมันก็เป็นเรื่องของมัน แต่เรานี่เอาใจของเราไปเป็นผู้รับผู้รับว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราจิตมันก็ไม่มีที่ตั้งเพราะเราไม่เอาใจไปตั้ง <S <S ไม่เอาใจไปรองรับไม่เอาใจไปเสวยอารมณ UN ์นั้นๆมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อเราไม่เอาใจไปเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับแล้ว มันก็ย่อมดับไปนะอมันก็ย่อมดับไปเหมือนกับแก้วนะสมมติเราแก้วโยนขึ้นไปบนอากาศเราไม่เอามือไปรับไม่เอาภาชนะไปรับมันตกลงพื้นมันก็ย่อมแตกนะมันก็ย่อมแตกสลายไปนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าปัญหาของคนก็คือว่าเราหลงเอาใจที่เป็นปกติเนี่ยแหละ ไปรองรับอารมณ์ไปรองรับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็เลยกลายเป็นผู้ผู้สุขผู้ทุกข์ผู้โรคผู้โกรธผู้หลงมันก็เลยกลายเป็ น, นเรื่องราวเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะบางทีใจเราไม่เป็นกลางใจเราไม่ตั้งมั่นเราก็เลยเผลอ เผลอสติเนะี่ยตามอารมณ์ตามความคิดเนะเช่นบางคนเป็นคนมีมาตรฐานในชีวิตสูงนะมันมีเรื่องที่ควรกับเรื่องที่ไม่ควรเยอะแยะมากมายเรามีมาตรฐานกับตัวเองมีมาตรฐานกับผู้อื่นนะ บางทเราก็ทุกข์ใจเพราะความควรควรไม่ควรนั่นนี่นะนหลายๆอย่างมันก็บางทีเราก็ไปติดนะไปติดนะไปยึดสิ่งที่เราคิดว่ามันควรหรือไม่ควรถูกหรือผิดนะไว้ในจิตนะเราก็เลยไปหลงนะไปหลงยึดก็เลยหลงไปจมกับอารมณ์ที่ที่เศ้าหมองเช่นถ้านะ เราคิดว่าอันนี้มันเราไม่ควรต้องรู้สึกแบบนีนะ้เราไม่ควรที่จะคิดอย่างนี้พอมันเกิดความคิดแบบนั้นขนะึ้นในใจมันก็เลยกลายเป็นคู่คิดไปนะพอสลัดอารมณ์ออกมาจากความคิดไม่ได้นะก็เลยทุกขนะ์หนักแต่ถ้าเรามีสตินะ เราจะเกิดการปล่อยวางสภาวะตรงนั้นไดนะ้ความคิดมันก็เป็นความคิดความรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกนะมันเป็นเรื่องของขันเฉยๆนะนะความรู้สึกก็คือเวทนาขันเนะวทนาขันสุขหรือทุกขนะ์หรือเฉยเนี่ยก็เป็นเวทนาของขัน ตัวคิดมันก็เนื่องด้วยสัญญาแล้วก็สังขารปรุงแต่งนี่แหละเนี่ยมันก็เป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันเนีมันก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของขันเฉยแต่ปัญหาคือเราไปมีอุปทานนมีอุปทานในเวทนามีอุปทานในสัญญามีอุปทานในสังขาร ถ้าเราละตัวอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั้นไว้นะขันมันก็เป็นขันนะใจที่ปกติมันก็เป็นเรื่องใจที่ปกตินะตัวขันมันก็เป็นเรื่องของจิตนะที่มันมีอารมณ์มีความคิดมีความรู้สึกนะมีการรับรู้นะมันเป็นเรื่องของจิต มันไม่ใช่เรื่องของใจถ้าเรามีสติปัญญาแยกตรงนี้ได้เออจิตมันก็เป็นอิสระนะจิตมันก็พ้นจากความทุกขนะ์ในช่วงขณะนั้นนะเราก็ถ้าเราเห็นแบบนั้นเราก็สามารถที่จะเห็นทางตรงนี้ได้บ่อยๆนะเมื่อเราเข้าใจทางเราก็สามารถที่จะ เดินทางนี้ได้ถูกต้องไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอ๋ออันเนี้ยมันได้หลักแล้วมันได้มันได้ปัญญาเนะี่ยที่ชัดเจนแล้วเนะี่ยเราต้องฝึกสติให้เราตั้งมั่นเพื่อให้เกิดปัญญาถึงระดับนี้นะถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ปลอดภนะัยปลอดภัยในการที่ไม่วนกลับเนะี่ยไปหา ไปหาทางแห่งอบายนะอืที่เขาว่าผู้ที่ได้เนะี่ยพระโสดาบันเป็นขึ้นไปก็คือเป็นผู้ปิดอบายนะอบายคืออะไรอบายคือการที่มันตกต่ำนั่นแหละจิตมันตกตำ่ำหรือเราไม่กลับไปตกตำนะ่ำในในการเยนไหวใจเกิดในการ พุกี้กับพบน้อยพบใหญ่แล้วแต่จริงคือเพราะว่าปัญญามันมันรู้เห็นตามความเป็นจริงแหละมันก็เลยไม่เอาใจไปไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรนะแต่มันอาจจะยังมีความหลงที่มันละเอียดขึ้นไปนะที่ปัญญามันยังละไม่ได้นะี่มันก็อาจจะหลงในสภาวะพวกนั้นนะแต่มันก็ไม่หลงไปยึดนะี สำคัญนะว่ารูปนี้มันเป็นของเรานะร่างกายนี้เป็นของเรานะมันเข็มด้วยปัญญาอันยิ่งว่านะรูปมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารูปนะแต่ตัวจิตที่มันละเอียดมันก็ยังมีความหลงที่มันละเอียดขึ้นไปอยูนะ่ยังมีความพอใจมีความไม่พอใจนะที่ยังละไม่ได้ที่มันละเอียดอยู่ ยังมีตัวทิธฐิมาน ะ, ะตัวความเห็นบางอย่างที่มันยังเห็นไม่ตรงทั้งหมดหรือว่ายังมีตัวมีตนที่เป็นมานะที่ยังรู้สึกว่าเรายังดีกว่าเขาเรายังด้อยกว่าเขาหรือเราเสมอเขาอยู่บ้างแต่มันก็เป็นตัวที่เราค่อยๆเรียนรู้ไป วันนั้นในการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเราจะเจอเรียกว่าเจอกิเลสเจอตันหาเจออุปาทานเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่ร่วมทางในการฝึกฝนของเราทั้งนั้นแหละนะจะให้ไม่มีเป็นไปไม่ได้นะมันมันย่อมมีเป็นธรรมชาตินะจะมีมากมีน้อยเหนียวแน่นขนาดไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับ อยู่กับเจดิตนิสัยของแต่ละคนหรือว่าวิธีการฝึกฝนะรู้ทันมันมากลักษณะไหนนะถ้าเราไม่รู้ทันมันมากนะมันก็เลยกลายเป็นการสะสมนะสะสมกรกลุงลังคลนะ้ายๆเหมือนบ้านที่สกรปร ก, นะกรกลุงลังเพราะว่ามันไม่เคยทำความสะอาดสักทีจิตของผู้ตชนที่ไม่ไม่ค่อยได้ฝึกนะ มันก็เหมือนบ้านที่รกรุงรังนะสะสมข้าวของเยอะแยะมากมายเนะี่ยฝุ่นก็ไม่เคยทําความสะอาดมันก็เลยสกรปรกจิตใจของคนที่ไม่ได้ฝึกมาก็เลยสกรปรกเช่นนั้นหรือว่าก็เลยหมักหมมยิ่งหมักหมมกีเ่เร็กยิ่งทามากก็ยิ่งสะสมมากยิ่งแสดงความโกรธมากก็ยิ่งกลายเป็นคนที่โกรธ ยิ่งทำตามความอยากมากก็ยิ่งนทันหาก็ยิ่งเหนียวแน่นมากอืยิ่งหลงนามากๆ ม, มันก็เป็นจะดิตคอยไปทางความหลงแต่เราฝึกสติเพื่อเราอละน่ะละกิเลสละตันหานเมื่อเราละได้บ่อยๆนะคล้ายๆยางเหนียวนะ่ะยางเหนียว มันก็จะค่อยๆคลายความเหนียวลงไปนในจิตใจนะอย่างเหนียวที่เราเคยโกรธเคยโลคเคยหลงเคยทุกข์นี่แหละมันก็จะค่อยๆเสื่อมนมันก็จะค่อยๆเสื่อมคุณภาพไปแต่มันก็ยังมีอยู่นะแต่มันก็จะค่อยๆเสื่อมค่อยๆละไป เมื่อเราภาวนาไปเยมันก็จะละง่ายขึ้นนะละง่ายขึ้นเพราะเราเราเคยละมันมากขึ้นนะละคือละทางใจนะแต่เรื่องทางโลกอาจจะเกี่ยวข้องอยู่ก็เกี่ยวข้องไปแต่ใจเราละนะละจากการมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในในรูปประคันหรือว่าในานามะคันตรงนั้นแหละเราก็เห็นมันเปลียงแค่อาการน อาการของรูปาะมาเป็นแบบนี้เนา ะ, นะมันเย็นเนาะถูกลมพัดแบบนี้ตอนนี้ลมพัดบางคนอาจจะเย็นบางคนอาจจะหนาว น, นี่คือเรื่องของรูปที่มันถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วแต่ถ้าลมพัดแล้วเราร้อนเนี่ยเันนี้แสดงว่ารูปมันมีความผิดปกติแล้วมันมีปัญหาแล้วใช่ไหม เหมือนคนเป็นอมพึกอมภพาดบางทีเนะี่ยถูกอะไรกระทบมาในส่วนที่เขาไม่มีความรับรู้ไม่รู้สึกเนะี่ยแปลว่าผิดปกติไปแล้วนะมันเป็นวิปราชไปเห็นไม่ตรงนะตามความเป็นจริงแต่รูปเมื่อโดนลมพัดมันย่อมเย็นเนะี่ยแต่เย็นแล้วนะถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะ เราก็จะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นนะไม่ชอบมันหนาวไปนะไม่ไว้แล้วนะจิตมันก็คิดแบบนั้นก็จะกลายเป็นทุกข์แต่ถ้าเย็นก็รู้สึกว่าเย็นนะใจก็ดูมันนะดูร่างกายมันมันเย็นดูซิ่ว่าจิตตอนนี้มันเป็นแบบไหน มันพอใจหรือไม่พอใจหรือว่าเฉยเฉยมันจะรู้สึกแบบไหนก็ไม่ผิดนะเพราะถ้าเราดูมันเฉยเฉยเนะี่ยมันจะไม่ปรุงต่อนะแต่ถ้าเราไม่เฉยนะมันก็จะเกิดการคิดปรุงแต่มต่อไปแต่ละพัฒนะจะทํายังไงดีให้มันหายหอะไรก็จะคิดไป แต่ถ้าเราคิดเพื่อแก้ไขแบบมีสติมีปัญญานี่ได้นะนะแต่ถ้าคิดแบบวิตกวิจารยนะ์คิดเรื่อยไปไปไอแบบนี้คือเราไปหลงกับมันในแต่ละวันเราก็จะเจออารมณ์พวกนี้กระทบนะบ่อยๆนะธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามย่อมมีการกระทบนะเมื่อกระทบแล้วมันก็เสวยอารมณ์นะ แต่สิ่งสำคัญคือสติมันจะทำให้เร า, าแค่เห็ น, นแค่เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการจิตอ๋อรูกเขาแสดงอาการแบบนี้หรือนา ม, มาทำเก็แสดงอาการแบบนี้พอเราเห็นเราก็จะแยกออกม า, าอย่างที่ว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งใจน่ที่ปกติก็ส่วนหนึ่ง แต่มันก็เกี่ยวข้องกันนั่นแหละจะว่าแยกก็แยกต่ว่าอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันแบบมันเหมือนเป็นส่วนประกอบกันเฉยๆแต่มันไม่เอาใจไปแบกไม่เอาใจไปยึดว่ารูปนี้ว่าจิตนี้มันเป็นของของเราเป็นตัวตนของเรามันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ แต่มันเห็นว่ามันมันแยกกันไม่ต้องไปเช่นไม่ต้องไปตามกันทั้งหมดเช่นถ้ารูปนี้มันมันไม่สบายรูปนี้มันร้อนมันหนาวจิตมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็ต้องนะทุกตามหรือด้วยนะแต่ถ้าเรามีปัญญามันก็จะเห็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องของกาย เรื่องของรูปนะจิตมันจะปรุงแต่งอย่างไรก็เรื่องของมันนะไม่เอาใจไปไปแบกไม่เอาใจไปยึดนะีออ่มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของมันเฉยๆสักพักมันก็ดับไปสักนะพักมันก็ดับไปของมันนะยิ่งมีสติดูทันเมื่อไรก็ยิ่งดับไปเร็วทั้นันะ้นยิ่งใจเป็นกลางกับมันมากเท่าไหรนะ่นี่ มันยิ่งแบบตกไปแต่หน้าตาตาแต่ปัญหาคือเราขาดสติคือการนักรู้นะรู้ไม่ทันว่าอาการที่เกิดขึ้นในตอนเนี้ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็ขาดใจที่ตั้งมั่นนะใจที่ตั้งมั่นคือใจที่เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสม า, สมาธิตั้งมั่นก็คือว่ามัน แค่รู้อารมณ์นะแต่ไม่เข้าไปอินกับอารมณ์หรือว่าไม่เข้าไปเสวยในอารมณ์นั้นหรือจะเรียกว่ามันเป็นกลางเป็นกลางเหมือนเป็นผู้ตัดสินมันเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งขันเอาแพ้เอาชนะไม่ได้เป็นเหมือนกองเชียร์ที่เชียร์ข้างนั้นข้างนี้ เคียข้นความสุขนะไม่ชอบข้างความทุกข์อะไรนะีอนะไม่ใช่เป็นเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นกองเคียนะหรือไม่ได้เป็นนักแสดงนะไปอินกับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นยนะในจิตแต่เราเป็นเหมือนกรรมการเป็นผู้พิพากษานะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเพียงแค่ ดับรูนะ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเป็นผู้ดูนะดูโดยไมเ่เสวยลมนะใจก็จะเป็นอิสระใจมันก็จะพ้นออกมานะอันนี้คือปัญหานะที่หลายๆคนเข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นทางฝึกตงด้านการึกรามมา ด, ด, ด้านกามนะ ค, ค, คือการสเสวย การมาลมนะทางตาหูจมูกร่างกายใจก็ดีหรือการแบบพยายามบังคับผักใสนะ่นะก็คือทางสุดตง่งบังคับกดข่มผักไส่นะ่ไม่พอใจนะั่นแหะทางสุดตรงสองทางเนะี่ยคือทางพูดง่ายงคือทางชอบกับทางชังนะเราชอบเนะพราะเราหลงอนะ หลงก็เลยกลายเป็นความชอบนะก็เลยเข้าไปสเสวยหรือว่าไปสแสวงหาหรือว่าไปไขว้คว้านะจิตมันเกิดความดิ้นรนนะแต่ถ้าจิตเกิดหยุดการดิ้นรนเนี่ยไม่ต้องสแสวงหาความสุขก็ไม่ต้องสแสวงหาความสงบก็ไม่ต้องสแสวงหาพิจิตร์นะมรรคผลนิพพานก็ไม่ต้องสแสวงหาก็ได้นะ เมื่อมันหยุดการแสวงหาหยุดการดิ้นรนจิตมันก็พ้นจิตก็ไม่ทุกข์ของมันเองนะถ้าเรารู้ทันนะรู้ทันจิตที่มันดิ้นอ้อมันก็เลิกดิ้นของมันเองนี่คือด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันชังมันไม่พอใจมันก็เลยอยากจะถักใส่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น มันก็เป็นการดิ้นรนอีกแบบหนึงดิ้นรนในการที่จะไม่เอาดิ้นรนในการที่จะปฏิเสธมันก็คือจิตมันไม่ยอมรับแต่ถ้าเราไม่ดิ้นเฉยๆดูเฉยๆมันไม่มันไม่เอาใจไปเป็นที่ตั้งของอาการพวกนั้นมันก็มันก็ตกไปกับมันเองเนี่ยเราต้องพัฒนาน่ะ พัฒนาจิตใจนะให้มันมีสติคอยรู้ทันอารมณ์แล้วก็ดูมันด้วยใจที่เป็นกลางนะใจที่ตั้งมั่นสำหรับผู้ใหม่ๆเนะี่ยกรรมฐานนะที่ที่เราสร้างขึ้นนะหรือที่เราพยายามจรเิญให้มากขึ้นเนะี่ยโดยเฉพาะกายานุ ป, ปัสนาสติปทาน คือการมีสติและรรู้ถึงกายเนี่ยกลับมาหากายเป็นที่ตั้งเนี่ยมันมันเป็นเครื่องที่ทำให้เราปลอดภัยได้เยอะเพราะว่ากายมันแบบซื่อตรงๆนะไม่ต้องเจือด้วยความคิดเนี่ยไม่ต้องเอาเหตุเอาผลอะไรแค่กลับมาได้รู้รู้ถึงร่างกายที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมไม่ต้องใช้ความคิด กายมันเป็นกายมันทำอะไรใจมันรู้ของมันได้โดยไม่ต้องคิดนี่คือสภาวะที่เหมือนมีคนมาจับเราเราก็รู้ไปเลยไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดอะไระะเหมือนเสียงมันเกิดขึ้นมานะเราก็ได้ยินเลยนะไม่ต้องมีใช้ความคิดอะไรความคิดมันมาที่หลังความรู้สึกแต่คนเรา มันดื่มความรู้สึกมันไปไปต่อที่ความคิดนะเราจะลืมตัวตรงนะี้ที่จริงความรู้สึกมันมีมาก่อนอยู่แล้วนะมีมาก่อนอยู่แล้วแต่คนมันไปใช้ความคิดมากแล้วก็ิดจมกับความคิดแต่เราใช้ความรู้สึกตัวเนะี่ยกลับมาหาฐานกายนะบ่อยๆเนะี่ยมันจะทําให้เราละความคิดละการปรุงแต่งออกไปได้นะ กลับมาหากายบ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปจ้องไปกําหนดมากเกินไปนะกลับมาหาแบบสบายๆนะอย่างลมพัดถูกร่างกายเราก็รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนะ ทำอะไรก็คอยดูตัวมันทำนดูตัวมันทำดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอ น, นก็ดูร่างกายมันกินดื่มขับถ่ายก็ดูไปเล่นๆไปดูเป็นเครื่องอยู่ไว้และลึกรู้ไว้ไม่ต้องใช้ความคิดใช้ความรู้สึกเชยๆแต่ถ้าเมื่อร่ความคิดหรืออารมณ์มันแทรกเข้ามาอ้าวก็เห็นมั น, นเห็นแล้วก็กลับมาไม่ต้อง กลับมาก็คือว่าไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาถูกเอาผิดไม่ต้องเอาอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบนะก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกลับมาหากายเลยกลับมาสบายๆนะมันจะดับหรือไม่ดับก็เรื่องของมันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่ามันนะเรื่องของเรื่องของจิตนะมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของใจนะแล้วก็ ไม่ต้องไปเอาอะไรกับมั น, มนก็ใจถึงกลางทําแบบสบายๆมันจะเกิดขึ้นอีกก็ไม่เป็นไรก็เป็นธรรมชาติของจิตที่มันปรุงแตง่งอมันจะดับไปก็ไม่เป็นไรไม่หลงไปดีใจนะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งเราก็ดูแบบนี้ดูไปเล่นๆสบายๆทุกสภาวะทุกอารมณ์มันก็แสดงสภาวะเดียวกันนะคือสภาวะ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นนะเราก็ต้องนี่แหละสิ่งที่เราพัฒนาสิ่งที่เราฝึกฝนเพื่อให้จิตมันเกิดปัญญาเห็นอาการเกิดดับนะของรูปอาการเกิดดับของนามเนะมื่อจิตมันได้ปัญญาจิตมันก็จะนะมันก็จะได้ทางนะที่เราไปสู่นักฝนนิพพานโดยไม่ต้องอาศัยความคิดไม่ต้องอาศัยความอยากนะ แต่อาศัยการภาวนานะภาวนาคือเจริญให้มากนะทำให้มากทำให้เป็นนิสัยนะทำให้มันเป็นให้บารมีมันเต็มเนาะบารมีคือการเนี่ยสะสมนะสะสมสะสมการเจริญภาวนาเนี่ยแหละนะมันจะทำให้เกิดความเต็มความอิ่มนะ มันก็เกิดความพ้นได้นะเหมือนน้ํำนะฝนตกบ่อยบนะ่อยดินมันก็ค่อยค่อยซึมซับน้ําที่ฝนตกลงไปนะเดี๋ยวสักพักนะฝนมันก็จะเอิบดินมันก็จะอิ่มน้ํามันก็จะคายน้ําออกไปนะมันก็ไม่ต้องดูดะนะ่ะจิตเราเองก็เหมือนกันเมื่อเราอิ่มในบารมีที่เราจเจริญะนะนะไม่ว่าจะเป็น มันจะมีสิบทัศ ท, ทั้งหมดแหละนะออืเราก็จะเดินไปตามแต่ละโอกาสแต่ละขณะอแต่จริงมันจะเดินไปพร้อมๆกันได้นะอืในอริยมรรคเมืองแปดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทําำอันเดียวทิ้งไปอีกเจ็ดอันที่จริงในขณะที่เดินมรรคเนี่ยมันไปพร้อมกันน่ะออื เหมือนคล้ายๆเหมือนลูกฟุตบอลนะเวลามันกิ้งมันก็กิ้งไปพร้อมกันแต่บางตัวมันนำหน้าบางตัวมันก็ตามกันตามหลังแต่ก็ตามเรื่องกันแบบนั้นแหละเหมือนเราจเจริญสติเราก็จะเอาสตินำหน้าเอาตัวสมาธิตามมาแต่เมื่อสติมั น, มนรู้สมาธิมันตั้งมั่น ปัญญามราก็มาเล่นลูกด้วยนะปัญญาเก็มามาเห็นอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์ไปได้ของมันเองนะศีลก็มีในนั้นนะวาจาเรียบร้อยก็มีในนั้นการงานชอบก็มีในนั้นความเพียรชอบก็มีในนั้นคิดชอบก็มีในนั้นมันมันมันมาด้วยกันนะมาด้วยกันหลวงพ่อคำเขียงที่สช้ใจว่ามันมาเป็นพวงนะ มามันมาเป็นพวงมาเป็นยวงเลยนะมาด้วยกันนะเราทําสิ่งนี้แหละมันมันมาพร้อมกันหมดเลยนะก็ให้เราได้พยายามภาวนาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแตนะนะ่เราจะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีเราจะใช้กิจวัตรปกติธรรมดาก็ดีหรือว่าเราจะทําการงานก็ดีนะนะให้เราถือว่าเป็นการปฏิบัติทำทั้งนั้นนะ ไม่ใช่ทำเพื่อหวังให้มันเสร็จเร็วๆนะหรือหวังว่ามันจะได้ไม่ต้องทำอีกแต่เราขนะดที่ทำมันก็เสร็จทุกวันนะเสร็จทุกขณนะเราก็วางไปทุกขณะทำมันนี้เสร็จแล้วติดมันไปทำอย่างอื่นใจก็อยกการทำอย่างอื่นไปกลนะับมาทำงานที่มันยัง ต้องทำต่อก็ทำไปวางจอบวางเสียงวางปากกาวางคอมพิวเตอร์ก็คือว่าจบในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะที่จริงมันก็เหมือนนะธรรมชาติมันสอนความจริงนะหายใจเข้า <c oughs> มันก็จบแล้วแล้วก็หายใจออกใหม่มก็จบ เ, เหมือนเรายกมือทำไมอุบายหลวงพ่อ เทียนนะพลิกรู้อ่ะมันจบแล้วยกรู้จบแล้วเพื่อนมาไวที่หน้าท้องรู้จบจบทีละณะยกขึ้นมาอีกก็รู้เพื่อนออกก็รู้วางลงก็รู้คว่ก็รู้รู้รู้รู้เป็นคันอนะ่ะมันเป็นการตัดนะเป็นการจบจบทีละขณะทีละขณะ หลงไปก็ชจ้งมันหลงแล้วก็รู้มันก็จบทําเป็นค้างทําเป็นครั้งนละ้ให้เราใช้ชีวิตให้มีชีวิตอในขณะหนึ่งนอาจารย์บางคนบอกใช้ชีวิตวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งชีวิตช่วงเผื่อท้ายวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งแต่จริงชีวิตจริงๆนะก็คือแค่ช่วงขณะหนึ่งเท่า น, นั้นแหละ สั้นขั้นแค่ช่วงขณะรู้สึกตัวช่วงขณะหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเลยก็ฝากไว้แค่นี้นะ